เก็ขอนับนอนต่อปราณไตรมีพระพุทธประธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นจรณะเราเรียกว่าเป็นที่พึ่งของพวกเราชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตต่อให้กังเราไอย่างเป็นซาธรรมิกทุกๆโลเจัลันพรจัลันในธรรมาอย่างบุญไม่เจริญแล้วก็น้ อ, อยอดรม อุบาจกอุบาสิกาทุกท่านตอนนี้เราก็ น, นั่งเป็นเวลาทีสีครึ่ง ป, ประมาณของวันที่8เป็นวันจันทร์ที่8เดือนเมษา ย, ยนพุทศังหลาร้อ แรม13คำ่ำก็ใกล้วันปีใหม่แล้วนะปีใหม่ไทยๆปีใหม่จีนก็ผ่านมาตอนนี้เข้าปีใหม่ไทยเราได้มีโอกาสมารวมตัวกันตอนเช้ากลุนะ่นการฝึกตนสอนตนกันฝนะึกหัดกายใจของเรา เพื่อที่จะพาร่างกายของเราไปสู่ความสุขสูงสุดนะเราจิตใจเราพาไปสู่ความสุขสูงสุด ข, ข, ของชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตที่พึงจะได้รับความสุขมันมีอยู่หลายระดับตั้งแต่ต่ำสุดจนสูงสุดเลย สุขที่เกิดจากการเาเข้ามาแล้วสุขที่เกิดจากการให้ออกไปบางอย่างก็ อ, เ, อเข้าบางอย่างก็ต้องเอาออกแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเราก็ควรรู้จักโดยปัญญากระบวนการที่จะทำให้เกิดปัญญามีอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือ ระนาของปรตัตตโกสะเราาียกว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูลจากตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อไม่กระใจก็ถามกลับถึงบ้านทบทวนอยู่เสมอการเราการเรียนของเราโยนิสมรจิการการแยกแยะคุณค่าแท้เป็นไงดีเป็นไงคุณค่าเป็นไงประโยชน์เป็นไงคุณค่าเทียม มันไม่มีโยชน์มีคนกค้าอยางไงเอาแยกแยะหรือว่ามองเห็นตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องอันนี้เป็นกระบวนการปัญญาสูงมากที่เราฝึกเจริญสติกันนะเป็นสติประฐานเพื่อนำห้สู่จุดมหมายสูงสุดของปัญญาคือการรู้จักปล่อยวาง อะไรก็ตามถ้ามากไปน้อยไปมันไม่ดีทั้งหมดนะถึงจะดีขนาดไหนก็เถอะมันก็คือไม่ดีอยู่ดีอย่างฉีดยาเกินโดดกินยาเกินโดดคนไข้ก็ตายดีแต่ว่าท้ายสุดก็คือมันให้โทษได้ทําดีมากๆนี่ให้โทษ ไ, ได้นะถ้าทําไม่เป็นร้องไห้เท่น้ําตาทีเดียว เราก็จึงมาศึกษากันว่ามันคืออะไรกันแน่กายของเรามันคืออะไรกันแน่จิตใจของเรามันคืออะไรกันแน่และอะไรที่มันจะเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือนะนําไปสู่ความสําเร็จของการเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์มีแต่ความสุขเกษมสารมาที่วัดป่าสุกต่อจึงแนะนําให้เข้าถึงสภาวะของตัวปฏิบัติการ เพื่อมันจะเป็นการกวนโกนธรรมชาติที่มันมีอยู่ในกายในใจของเรามันแสดงออกมาให้เราได้ อ, าอ่านเช่นกายของเรานั่งนานๆก็เจ็บก็ปวดก็เมือ่อยอย่างตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณยี่สบอยี่สบององศาห้องแอร์ที่ดีก็ยี่บ้าองศาประหยัดไฟ แต่ที่นี่มันเย็นกว่านั้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นด้วยไม่เย่แห้งๆบางคนอาจจะมาเป็นสุขก็ได้แต่บางคนก็อาจจะมาเป็นทุกข์ก็ได้แต่ละคนแต่ละคนก็มีวิธีคิดนะหรือว่าการใช้ชีวิตภูมิชาติกําเนิดฐานะฐานะานะสกุลเพศวัยต่างๆอายุต่างกันสิ่งเดียวกันแต่กคนเอามาเป็นสุขกคนเอามาเป็นทุกข์ เราลองมาดูว่าตรวนี้มันคืออะไรกันนะมันคือใจเราใช่ไหมที่ไปตีความตามความเห็นของตนของตนของตนจนบางทีเรื่องเดียวกันกลายเป็นความแตกแยกมองต่างมุมนะฮะสองคนยนตตามช่องอีกคนนึงมองเห็นเป็นคนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวพลางเปล่าป ล, ลาย เวลานี้เรามารวมตัวกันทําวัดเสียงค้องดังเสียงค้องเป็นมงคลทําไม่เรามารวมตัวกันบางคนก็มาก่อนบางคนก็มาหลังบางคนเสียงคล้องดังแล้วออก็มาในหมู่บ้านอาจจะมีหลายคนพนมมือสาธุเสียงมงคลเสียงค้องดังรู้วเป็นเวลาตีสี่วัดวารามาม คนในวัดก็ทําวัดสวดมนต์กันคนข้างนอกก็ตร้งมือสาธุข้าพเจ้าประโยชน์เลยแต่โจรมันรู้แล้วว่าตอนเนี้นักปฏิบัติมารวมตัวกันที่จลาหอไต่โจร น, นะไม่จ๋าชีพ ม, มันก็เตรียมแล้วเหมือนกันแหละเจ้าของใครดีเจ้าของใครดี เ, รดเห็นไหมเสียงเดียวกันสิ่งเดียวกันตอนนี้ ในโลกใบนี้หลายคนกำลังอาจจะถูกมีดจี้เอาอยู่มีโจนเอามีดมาจี้เพื่อที่จะเอาทรศับผลเอาทรัพย์สินของมีค่าหรือว่าค่าขมขื น, นตอนนี้ขนาดนะี้แต่หลายคนกาลังเอามีดทำกับข้าวตอนเช้าหั่นผักมีดอันเดียวกันอีกคนเอาทำ ร, รโยชน์ เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่คนกลับเป็นการทำลายมิจฉ า, าชีวะทุจริตผิดศีลผิดธรรมนะีมันแย ก, แ ย, กย้ายยังไงนะกายใจของเราก็เหมือนกันบางทีเราท่านนั่งมาเป็นความสุขบางทีเราท่า น, นั่งมาเป็นควา ม, มทุกข์จิตใจวิธีคิดก็เหมือนกันบางทีเราความคิดมาเป็นความสุขบางทีเราความคิดมาเป็นความทุกข์ให้มาเห็นความจริงกันโดยการสร้าง ความรู้เนื้อรู้ตัวเคลื่อนไหวมองผ่านตัวนี้ไปให้จิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันกันานดะจิตไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมวิธีคิดต่างๆก็ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมอะไรที่ไวกว่ า, วาความคิดสติสัมปชัญญะมันจะได้รู้เท่ารู้ทันความคิดแต่ว่าสติมีแค่สัญชาตญาณ สติรักลูกสติรักตัวกลัวตายสติหนีภัยสติสู้รักษาชีวิตปกป้องสิทธิของตนสัตว์เดรัจฉานมันก็มีเมื่อคืนเนี่ยนะสัตว์หลายตัวออกมาเพราะความหิวมันหิวมันจึงออกมาจากกรูกันเวลามันรู้สึกว่าหิวมันถึงออกมาเวลากลางวัน มันรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันก็อาศัยรูเป็นที่พึ่งสัตว์เลื้อยคานหลายตัวอาศัยรูเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่หลบภัยแต่ที่ออกมาเมื่อคนะืนออกมาเพราะความหิวมาล่ากันเป็นห่วงลูกโซ่เป็นวงจรของการมีชีวิตในโลกใบนี้นะ คนมีปัญญามากมีกําลังมากเอาเปรีย่ยวคนมีปัญญาน้อยมีกําลังน้อยจริงไหมบวกเราจริงไหมท้ายสุดก็คือเป็นห่วงลูกโซ่ของกันและกันแต่ของเรามนุษยนะ์เอามาเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเอาชีวิตนกะ็เป็นห่วงลูกโซ่ของความดีความงามเกิดสันที่สุขสันิภาพในโลกใบนี้นี่คนนี้เราเองบางทีกายก็เบียดเบียนใจบางทีใจก็เบียดเบียนกาย บางทีนั่งนานๆใจก็งดหงิดหิวข้าว <Okay. S 1> นะก็เกิดกิเลสโมโหโทโสนะเรื่องที่ป่วยป่วยมากๆก็งดหงิดโมโหโทโสนะบางทีมีอัตราตัวตนมากๆก็คือมีวิธีคิดเนะื่องจากสังคมสิ่งแวดล้อมการเรียงดู มันทำให้เราเหมือนกับว่าถือตัวถือตนมีอัตตามากจึงเกิดการไม่เคารพซึ่งกันและกันเพราะนั้นอาการที่ทําให้เกิดกิเลสเนี่ยมันจะมีเหตุจำนวนทําให้เราโหหลงได้มากมายแล้วกันเราก็จึงมาฝึกวิธีเจริญสติให้เป็นสติปัฏฐานก็คือกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกอาจจะรู้ที่ลมหายใจเข้าออก วันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้าข้ามยามสามเปละกาเป็นวันพุธเจ้าชายเสียใจเนี่ยออกแสวงหาโมระธรรมหนทางแห่งการพ้นทุกเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อตายก็ไปเห็นสมณะเขาภูมมีความสงบก็มีความสมุเออหอนทางเนี้ยมันน่าจะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่ อาลามกระาบทอทุทกดาบทสอนให้เข้าสมาบัดเจ็ดสมาบัตดแปดจนเรียนจบแล้วก็อืครูอาจารย์ให้สอนเจ้า ช, ชายทิฏฐาก็ยังมีความรูสึกเออเรายังทุกอยู่เลยยังคิดถึงการเป็นกษัตริย์เป็นจกักรพรรดิด้วยเป็นคิงออฟเดอะคิงเป็นจกักรพรรดิกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากกษัตริย์ก็ยังให้ความเคารพอย่นี้น คิดถึงลูกลาหุนบ่วงบวงลาหุนเมอบ่วงพิมพาภรรยาก็สวยคิดถึงอะไรหลายๆอย่างความสบายความสะดวกเมันยังทุกอยู่เลยไงนะมันทุกเพราะความคิดไทสุกรจึงออกมาจากสมาธิสุขติดสุขในสมาธิชานต่างๆออกมา ถ้าตึงไปทําอะไรตึงไปมันก็จะขาดเหมือนสายพินนั่นแหละถ้าเราตึงไปสังเกตไหมเวลาปฏิบัตินะ้าหน้าเราตึงหน้าเราตึงเก๊กจะหน้าบูดหน้าเบึงนะ้งก็จะยัาจิตใจข้างในงเรามันตึงเหมือนกันจิตใจมันตึงผูกมัดลัดตึงที่เขาเรียกว่าลักรูปหัวผูกคอแม่พ่อหมอผูกแขนสมบัติแก้วแหวนมันแว่นผูกขาสัปเลิล เวลาตายาก็มัตตาสังเป็นปุกะลาที่สถานให้คนเป็นเออคนที่ตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะห่วงอันนี้ถ้าเราคิดมา ก, ผ, กผูกมั่นรัดตรึงนหน้าตาของเราก็จะตึงเกิดปริพเทิขึ้นมามีความกังวลเกิดขึ้นมาเพราะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้อะละปริพเทิออกไปก่อนเช่นไม่ต้องคิดถึงบ้านไม่ต้องคิดถึงงาน ไม่ต้องคิดถึงเงินทองไม่ต้องคิดถึงการเดินทางไม่ต้องคิดถึงการเรียนไม่ต้องคิดถึงความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายหมู่คณะต่างๆไม่ต้องไปคิดถึงเลยบริโ่ค ต, ตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยตัวเราคนเดียวให้ถือว่าเกิดมาคนเดียวจะตายก็ตายคนเดียวถ้าบรรยากาศของการปฏิบัตนะิเราสร้างบรรยากาศว่าอยู่ หลายคนเหมือนอยู่คนเดียวได้อันนี้เรียกว่าการยาณมิตรหลายคนก็จะเป็นแบบอย่างให้ซึ่งกันและกันการยาณมิตรก็คือดีเป็นเพื่อนของเราที่ดีแล้วก็ดีกับเราด้วยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ดีกับเราด้วยการยานามิตรหมายถึงว่าน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องอดทนต่อกันได้ ชี้แจงบางเรื่องบางราวนะที่เราสงสัยได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่พากันไปทางที่เสื่อมเด็ดขาดกัลยาณมิตรอยู่ด้วยปัญญาเห็นประโยชน์เดินทางไปทางเดียวกันอาจจะเดินก่อนเดินหลังบ้างไม่เป็นไร <c oughs> นะทีนี้ <c oughs> จะใจศีรษะก็เห็นว่าเออ การกลับมาค้นหาโมกธรรมเรื่องความสําเร็จในการเดินทางจิตถ้าย่อนไปพินก็จะเดรดเสียงดังไม่เพราะหรืออาศัยกีตาร์นะถ้าตึงไปมันจะขาดนะแต่ถ้าย่อนไปเสียงมันจะดังไม่เพราะนั้นความพอดีมอยู่ตรงไหนความพอดีก็เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางนะ ที่ลบฝึกกันเนี่ยเพื่อให้เจอความเป็นกลางของกายของใจนะวางกายใกลาวางใจกลางๆงนะเทคนิคปฏิบัติตัวนะี้อย่างตอนนี้ให้นำมาใช้เลยขนาเนี้ถ้าเรานั่งไม่เป็นมันจะเครียดนะตึงไปถ้านั่งไม่เป็นก็จะย่อนไปเท้าแขนมั่งนั่งจิตใจไม่สง บ, งบละนะร่างกายไม่สงบละนะให้สังเกตเลยทันที เป็นปัจจุบันขนาขณะนี้ทีเดียวปรากฏว่าเจ้าชายหรือถ้ากับคนพบอ๋อเวลากายลราผ่อนคลายเป็นปกติเรียกว่าศีลเวลาวาจาลราผ่อนคลายเป็นปกติกเรียกว่าศีลเหมือนกันเวลาจิตใจของเราปกติผ่อนคลายก็เรียกว่าศีลคนพบตรงเนี้นเจอคําว่าศีลครัศีลเป็นบัตรฐานของสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเรื่องตั้งมั่นเรื่องหน้าที่การงาน เรื่องงานที่จะต้องทำเรื่องของกายเรื่องของใจคืออะไรมันมาวิจัยเรื่องของกายเรื่องของใจทำงานวิจัยออกค้นหาจนถ้าทังมันพบจริงๆทุกเกิดที่ความคิดนี่ความคิดของเราที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเดี๋ยวไปอดีตเดี๋ยวไปอนาคตพอเราปฏิบัติเราก็เห็นอย่างนั้นนะนะกำหนดรู้ความรู้สึกตัวที่ฐานกายมันก็วิ่งไปหน้าวิ่งไปหลัง วิ่งออกไปนอกวัดวิ่งไปที่ทำงานวิ่งไปที่บ้านวิ่งไปหาที่เรารักที่เราชอบที่เราพอใจที่เราชังที่เราไม่พอใจมันก็ไปอันนี้เราก็ได้เห็นตัวเราเนี่ยแหละค่อยๆฝึกตนสอนตนถ้าเราไม่มานั่งอยู่ที่ศาลาหอไ ต, ตรวัดป่าสุโกโตอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะหาความสุขอย่างที่เราคิดสังคมก็ทำให้เราดู ชี้นำสร้างกระแสแล้วเราก็หลงเชื่อแล้วเราก็ทําตามจึงเป็นความสุขที่จะเกิดจากการเสพมือขยาวสาวได้สาวเอาที่เรียกว่าคนมีปัญญามากเอาเปรียบคนมีปัญญาน้อยอย่างเนี้ยนะทุกคนก็จึงเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามาของกูของกูของกูงกบ้านของกูรถของกูตำแหน่งของกู อันนี้งานของกูอย่างงี้นะอันนี้พ่อกูอันนี้แม่กูอันนี้ญาติของกูอันนี้เพื่อนของกูถ้าของมึงอะนะเสียหายหรือว่างานการของมึงล่มสลายล่มล ะ, ละลายอไม่เป็นไรเอเป็นของกูของญาติกูแล้วกันจะมีมึงมีกูถ้าญาติมึงป่วยไม่เป็นไรถ้าญาติกูป่วยเรารู้สึกกระตือรือร้นอย่างเงี้นะเป็นของมึงของกู เพราะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นของกูของกูนะบ้านกูรถกูเงินกูที่ดินของกูอันนี้หน้าของกูรักษาหน้าทั้งในเท้าเนะี่ยมันเดินทั้งวันนะเดินทั้งวั น, มนไม่เลยสนใจเท้าสนใจแต่หน้ารักษาหน้าตัวเองคนส่วนใหญนะ่เป็นงี้เพราะนั้นเราก่อ น, นอนเมื่อคนะืนเราก็ได้ล้างเท้าล้างเท้าสนใจเรื่องเท้าให้สะอาด ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ล้างหน้าอย่างนี้นะแต่ว่าเราทําด้วยสติด้วยปัญญาล้างเท้าเพราะว่าเท้ามันเลอะมันสกปรกมีเชื้อโรคมีพยาธิเราก็ล้างแล้วเข้าที่นอนนะแล้วตื่นนอนมาเราล้างหน้าล้างตามีขี้ตาฟันของเราก็สกปรกอย่างนี้นะเราก็รู้เราก็อยู่ด้วยปัญญามีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบในการใช้ชีวิต อ่ะทีนี้เมื่อมีความสุขจากการเอาเข้ามาก็ถูกเรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีการแบ่งปันออกไปบ้างเรา เ, าเข้ามาปั๊บก็ต้องอายะสมตาแบ่งปันออกไปทันทีใครก็ตามเอาเข้ามาเข้ามาเข้าม า, า, า, มาหมักหมมเปียกแฉะเน่าในเหมือนกับน้านที่มันไหลขึ้นมาแล้วไม่มีการถ่ายออกระบายออกอันนี้แหละก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเวลายอยู่คนเดียวนี่จะทุกข์ใจ จะทุกข์ใจหลายคนหาความสุขเข้ามาแต่กลับกลายเป็นความทุกข์ในท้ายสุดเกิดขยะกระเพามากมายเหลือเกินจนกระทั่งฮวงจุ้ยก็บอกว่านะลักษณะที่ดีของบ้านของห้องนอนของห้องในบ้านเราหนึ่งวันจะต้องเอาของออกไปสองชิ้นนะเอาออกไปวันละสองชิ้นอย่างน้อยนะฮวงจุ้ยที่ดี พอเอาออกไปมันจไหลเข้ามาก็คื อ, อ, อคนมีน้ำใจนั่นเองมีสติมีปัญญารู้จักแบ่งปันกันตรงนี้แหละทำให้เกิดการเอื้อเฟื้อเกินมาเผื่อแผ่เกิดมาสังคมหน้าอยู่ไปไหนมาไหนยังได้ปลามาสักตัวโบราณนั้นว่าวิธีกินแล้วก็กินให้มันกินได้ตลอดทั้งปีก็คือตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้น ส่วนหนึ่งเอามากินเองอีกส่ว น, นก็ไปแจกคนอื่นเหมือนกับการหาเงินก็เหมือนกันเงินเดือนเดือนแรกที่เราจะได้รับในทํางินเราก็แบ่งให้พ่อแม่อย่างเงี้ยนะเราเก็บไว้ส่วนตัวไว้ใช้ในวันข้างหน้าส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็นําไปเตรียมซื้อที่ดินเล้วฝังดินเอาไว้นะอันนี้มันจะงอกงามเวลานานไปนะมูลค่ามันจะเพิ่มนะเป็นต้น รู้จักแบ่งให้ดีๆเงินทองเราจะใช้แล้วก็เกิดประโยชน์จนทั้งเวลากเกษียณมันก็มีความมั่งคั่งขึ้นมาไว้ให้คนทํางานเวลากเกษียณไม่มีเงินก็มีนะเป็นหนี้มากทํางานตลอดแต่ว่าท้ายสุดก็ประทุเพราะการใช้หนี้เพราะนั้นความสุขจากการได้มาก็ต้องได้มาแล้วก็แบ่งปันให้เป็นต่อมาก็คือคนมักจะคิดว่า ได้ทํางานที่เราชอบมีความสุขจึงเกิดสรรนานการเกิดอาชีพที่สองขึ้นมางานที่ชอบอย่างหมอแป้นนะนะจบแพทย์จบแพทย์เพราะว่าสมองดีแต่ไม่ใช่งานที่แรงชอบที่เองรักหมอแป้นที่โรงพยาบาลสารครามที่ตัวเองชอบอาชีพที่ชอบนี่ก็คืออาชีพหมอลํา ก็เลยใช้สิ่งที่ชอบทําไปค่ะอาชีพที่ตัวเองทําเป็นงานหลักสมองมันดีมีโอกาสได้โอกาสอย่างนี้เป็นต้นหลายคนนก็จึงมีงานสนนาการต่างๆมากมายมีกีฬาเล่นกีฬาแล้วก็มีความสุขบางคนก็หาความสุขการไต่เขาบางคนก็หาความสุขการนั่งเรือใบไล่เสียงเครื่องยนต์ไปกลางทะเลลึกอยู่คนเดียวมีความสุข บางคนก็ขับรถดีๆฟูบิไรเข้าป่ากลางเต็นนอนดูดาวดูพอทิตยขึ้นพอทิตตกแล้วก็มีความสุขเราเห็นทอทอทอก็เชิญชวนมากให้ซื้อรถโดเพราะข่าวรายการใหม่นะเดี๋ยวได้ซื้อรถกันแล้วจบใหม่ๆก็อยากมีรถใครอยากมีรถขับไปทํางานบ้างยกมือขึ้นยกมือแล้วตั้งใจไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถอยรถยกมาขึ้นแล้วเอามือลงอย่งไงหนึ่ง บางทีเราเห็นเลยนะว่าบางคนน่ะขับรถไปนอนกลางป่าคนเดียวทํางานในเครียดมากแล้วทายสุดไปตายในป่าบางคนเอาเล่าไปกินบางคนนี่เอายาไปกินฆ่าตัวตายในป่าเลยพอไปอยู่ในป่าปับ๊บมันมีความสงบมีความสุขเบื่อโลกไปเลยมันมีบางคนไปกินเหล้าเมาจนสลบแล้วก็ ตัวท่ากนะนะตัวทากใช้เข้าไปในร่างกายนอนหลับไปเจ็ดวันบางทีกินเหล้าผสมกับยามันเป็นอย่างนั้นก็คือหลงไปนในความคิดไม่รู้จักความคิดอ่ะนะมันก็เคลิมมีมโนภาพต่างๆเกิดขึ้นมาเวาเราอยู่คนเดียวในบรรยากาศอย่างงีน้น่ากลัวทาไมมีสติปนนะัะญาบางคนก็บอกว่าฉันมีความสุขโดยการที่ ไปนั่งสมาธินเงียบเงียอย่างในกลุ่มที่มาปฏิบัติเราก็เห็นหลายคนได้ทําอย่างนั้นพฤติกรรมเราให้ยกมือสิบสี่ใช่าปะแต่คุณก็ไปนั่งเงยียบเงียบนิ่งๆอันนี้เป็นความรู้ที่หลวงปู่เทียนบอกว่ารู้แบบไม่อยากรู้อย่างนั้นนะรู้แบบไม่อยากรู้ก็คือต้องนั่งนิ่งๆมันจะไม่ได้เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาหรอกพระเจ้าได้ทําแล้วะ สมาบัติเสมาบัติแดไม่ได้ทําให้เกิดปัญญายาญขึ้นมาแต่เกิดความสุขในระดับที่เรียกว่าเข้าฌานสุขในสมาธิมันเป็นความสุขที่จะต้องยกขึ้นมาอีกมีสติแล้วแลวอยู่มีสติแล้วเเลอยู่อย่างเนี้ยนะอันนี้ก็บอกให้ฟังในหน้าของการปฏิบัติที่ถูกต้องที่วัดป่าสุโ ต, โตแนวเคลื่อนไหวก็คือให้นั่งเปิดตาลืมตาอันนี้คือเทคนิคปฏิบัติ ต่อมาก็คือนะเคลื่อนมือ14จังหวัเราก็จะสังเกตได้อ๋อคุณกําลังฝึกสติอยู่เห็นตั้งแต่ไกลๆเลยนะมองไกลๆก็เห็นเลยอ๋อนักเรียนกำลังเคลื่อนมือตั้งใจพัฒนาจิตกันอยู่ยถ้าดูลมหายใจบางทีมันไม่เห็นดูลมหายใจไม่เห็นบางทีเราก็ไม่เห็นในตัวเองคนอื่นก็ไม่เห็นด้วย ว่าคนรู้แล้วคุณหลงก็ไม่เห็นคุณเองคุณก็ไม่เห็นว่าคุณรู้แล้วคุณหลงเพราะคุณทําแบบไม่อยากรู้คุณทําตามใจตัวเองหลายคนก็ไม่ได้ทําตามใจตัวเองอ๋อมาที่นี่ก็ให้ฝึกอย่างนี้ก็เลยทําฝึกหัดปฏิบัติลองเรียนรู้รับรู้ฝึกหัดดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้คําตอบแบบไหนเราจะมาเคยมีประสบการณ์นั่งนิ่ง ครั้งหนึ่งก็ไม่อยากยกมือเหมือนกันปรกดตกล่องของสมาธิเข้าเหตุการณ์นี้เกิดที่กนะุฏิสิบสามบนหลังเขาก็มันทำไปทำมามันก็หมมันก็เมื่อยมือนะแล้วก็ทำเพราะศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าอ๋อครูบาอาจารย์ให้ทำางนี้ก็ทำเชื่อแบบนี้ก็เลยไปนั่งฝึกรู้ไม่รู้ก็ทำลงไป ครนี้มันทําหลายวันนะมันเก็บอารมณ์ติดต่อกันนะอย่างของเรานี่มาทําวันนี้เป็นวันที่สามเาะนั้นมาฝึกมาหลายวันคือครูบาอาจารย์เขาบอกว่าทําต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องด้วยนะไม่เกินเออยางเร็วที่สุดเนี่ยนะหลวงปู่เทียนบอกว่าไม่เกินเก้าสิบวันมันจะรู้เรื่องตัวชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจแล้วว่ารูปธรรมนามธรรมนะ แต่เราทราบว่าหลวงพ่ อ, อมเขียนนะท่ารู้ภายในยี่สิบเอดวันรู้เรื่องตัวของชีวิตตัวเองนะเบื้องต้นเลยยี่สิบเอ็ดวันท่านแยกได้เรื่องกายเป็นไงเรื่องจิตวิญญาณเป็นไงชัดเจนเลยนะมีสติประธานตื่นดูขึ้นมาและเห็นความคิดเจ้าของท่านก็คุยบอกเราว่าท่านไปที่เมืองเลยเพราะอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปไปเจอหลวงปู่เทียน เสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติสนใจปฏิบัติท่านไปดูครูบาอาจารย์ว่าปฏิกริยาปฏิปทาของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านตื่นกี่โมงนอนอย่างไรหนึ่งวันท่านแสดงออกอย่างไรบ้างไปจับตามองครูบาอาจารย์และอย่างก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจก็คอยไปปูเสือ่อปูเสือ่อ เวลาคนมาก็เอาขวดน้ำมาเอาแก้วน้ำมาคอยบริการพอเข้าไปก็ม้วนเสือเก็บแล้วก็เอาแก้วเอาขวดน้ำไปเก็บที่เป็นอย่างเงี้ยท่านอยู่สิบวันท่านพฤติกรรมทำเงี้ยท่านกีเขาสุดอา้าวเรายังไม่ได้มาดูตัวเองเลยเราได้ยังไม่ได้ฝึกเคลื่อนมือสิบสี่จังกวะดูกายดูใจของตัวเองเล ย, ยนเน้นมาถามว่าไอไอ มาอยู่วัดเนี่ยรู้รูปนามและบ่อเน้นมาไม่กี่วันเน้นก็รู้แล้วนะธรรมะระดับรูปนามหลวงพ่อก็เอ๊เน้นมาถามอย่างนี้เนี่ยมันก็น้อยใจอะนะมาเกทับมาคุยทับก็เลยไปหาหลวงพุทเทียนหลวงพุทเทียนครับมีใครปฏิบัติแบบนี้สิบสี่จังหวะแล้วไม่รูนะ้ธรรมะมีไหม หลวงปู่เทียนมาจับตัวหลวงพ่ออมเขียนเขายาวเลยเนี่ยเนยรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวไหมรู้ครับให้ไปฝึกรู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะให้ไปฝึกอย่างเงี้ยครับตอนนั้นหลวงพ่ออมเขียนมีความรู้สึกว่าตัวเองนะอายุประมาณ29เกือบ30ยังแข็งแรงอยู่หลวงปู่เทียนนะอายุมากกว่าเยอะเลย หลวงพู่เทียนปฏิบัตินะอายุสี่สิบกว่าตัวเองปฏิบัตินะอายุยังไม่ถึงสามสิบเลยเพราะนั้นแข็งแรงฝ่ากันกเกยคิดว่าเรานี่แหละทำได้ก็เลยเอาแคร่เอาเตียงนะ่ะยกไปหลังวัดเลยคราวนี้ก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยอีกต่อเนื่องอีกประมาณสิบอวันรวมกันแล้วเป็นยี่สิบหนึ่งวันนะธรรมะภายใน จิตใจเนี่ยมันเกิดกระบวนการปัญญาขึ้นมามันเห็นตัวเองอะมันเห็นอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมอะไรเป็นอาการของกายอะไรเป็นโรคของกายอะไรเป็นการของจิตเป็นโรคของจิตอะไรเป็นทุกข์ของกายอะไรเป็นทุกข์ของจิตอะไรเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานอะไรเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เก้ารู้เอาใจความทุกข์เนี่ยมันเห็นอย่างเนี้ยยี่สิบเอ็ดวัน หลังจากนั้นท่านก็ฝึกต่อไปฝึกต่อต่อต่อต่อกัอออนไปจนกระทั่งมีวันหนึ่งมานั่งรับประทานอาหารท่านเราให้ฟังนะนั่งรับประทานอาหารอย่างมีสติปรากฏว่าพอนั่งไปนั่งไปประกอบอาหา์หลังให้กันเลยขันห้าเนี่ยนะนะขันห้าคือรูปธรรมเวนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันหันหลังให้การเฉยได้เพราว่าข้างในของเราเนี่ยมันหันหน้า มันถึงคิดพูดทำทำดีทำชั่วมันหันหน้าเข้ามันทำกรรมแต่หลวงพ่อปฏิบัติไปอะไรมันหันหลังให้กันมันเป็นความบริสุทธิ์ของธาตุขันมันตัวชีวิตมันเลยใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความบริสุทธิ์ไม่เป็นกรรมไม่มีการให้รางวัลไม่มีการลงโทษมันทำเพราะว่ามันเป็นชีวิตชีวาของเราตั้งแต่ตื่นยันหลับ การนั่งการเดินการยืนการนอนมีแต่สติรู้เนื้อรู้ตัวมีแต่ปัญญาจะทําอะไรจะลุกจะนั่งจะเดินจะกินจะขับถ่ายจะทำประโยชน์ต่อตัวเองทำประโยชน์ต่อญาติทำประโยชน์ต่อโลกมันเป็นธรรมชาติสติปัญญาพาธรทำ เ, เพราะนั้นมันจึงเป็นความสุขที่เกิดมาจากเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องกับโลกถูกต้อง เนมันเกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาที่เป็นสติปัฏฐานการเห็นกายเคลื่อนไหวมันจะเห็นจิตใจของเราที่มันนึกมันคิดมันจะเป็นปัญญาสูงสุดที่มันพึงเข้าถึงทุกๆชีวิตในโลกนี้เลยประมาณเจพันพล้านคนคนที่มารู้เรื่องตรงนี้มีนิดเดียวเองมีนิดเดียว จนกระทั่งโอสมเจสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวอย่างนี้นะว่าคนในโลกเนี้พาตัวเองไหลไปสู่นรกอาบายาโพนะลนรกก็หมายถึงความขัดแย้งภายในจิตใจของเรานะคิดแล้วโลภคิด ล, โล้โกรธคิดลด้ดลหลงนระกเนะ่ยเท่ากับขนของโค ข, ขนของวัวของควายเยอะไหม คนที่ไปสวรรค์ไปนิพพานเนี่ยเท่ากับเขาของโคเขาของโคอ่าเรก็ลองมาดูทําทานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะเวลาเขาบอกให้ทําทานเนี่ยคนจะร ะ, ระดมกันมารวมตัวเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยรักษาศีลกันเหมือนกันเวลาถือศีลกินเจที่ภูเก็ตทิตรังพงเนะี้หรือว่าเทศกาลกินเจนะโอโ้คนเยอะมากเลยแต่คนที่จะเข้าถึงตัวภาวนาวิปัสสนาในน้อย ไม่น้อยพรเวลาปฏิบัติมันจะเห็นทุกข์ไงเห็นทุกข์มั่งก็เมื่อยอย่างเมื่อวานที่เราถามกันว่าใครทําล้ทุกข์บ้างเวลามาปฏิบัติธนะรรมนเลื่องทีมีอาจารย์แจ๊คถามว่าคนที่จะย้อนกลับมาที่วัดป่าโสโตมีกี่คนนะี่ยกมือกัน น, น้อยๆไม่กี่คนนะมันบอกถึงอะไรก็บอกถึงขนโคกับเขาโคอย่างนี้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็น โชควัจนาที่เราจะได้ต่อยอดบุญเป็นกุศลที่วัดป่าสุขตเราชี้กันเรื่องสติปัฏฐาน4ี่การเห็นการเคลื่อนการไหวของกายแต่ะละขณะพลิกมือตั้งรู้สึกตัวยกมือขึ้นไปรู้สึกตัววางที่สะดือรู้สึกตัวพลิกมือขวาเรียบร้อยแล้วเราเอาพลิกมือซ้ายตั้งรู้สึกตัวยกขึ้นมารู้สึกตัวเกินทับหลังมือขวารู้สึกตัวเราฝึกพระเจ้าเนรู้ด้วยอาณาปารติ แล้วก็มาบอกเรื่องสัมยาปรเพะนีเราก็ใช้ขนะาะของสัมยาปรเพะนะี่ให้เหมาะกับยุคปัจจุบันนี้นะซึ่งเป็นยุคของจีโนมิกส์นาโนเทคนวัตกรรมทั้งหลายเป็นเทคโนโลยีนาโนนะนะมันเหมาะกับเรามากเลยนะก็คือความคิดที่มันไหลว่องไวนะมันต้องไวไงเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องไวนะรถนี่ต้องความเร็วสู ง, สงนะ ยานพาณิต้องความเร็วสูงสูงหัวจะหลุดเลยออนเซนประเภทที่วา่าไปทันอกทันใจเพราะนั้นใจของเราจะต้องมีสติกำกับสติปัฐานสี่นี่มันไวไวเหนือความคิดมาทันทีเหมือนลูกธนูสตินี่เหมือนรอยเท้าช้างพระบทใหม่ทุกรูปเนี่ยจะต้องท่องเลยนะนวะ โกว่าปริเฉดที่หนึ่งเนี่ยนะสติสัมมัญญาสติคือการรับรู้สัมมัญญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมพระบวทใหม่วันแรกนะแต่งชุดต้องเรียนในเครื่องแบบต้องท่องเลยวิชาที่เราจะต้องเรียนเนีนะสติสัมมัญญาสติคือการรับรู้สัมญญสมัญญาคือรู้ตัวทั่วพร้อมเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่ที่สุดสัตวเลน้อย ทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นกุศลนั้นมันลอยสัตว์เล็กๆมันจะรวมลงอยู่ในสติปัฏฐานทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราจึงมาฝึกสติกันใจมีสติอยู่กับกายตรงนี้นะเป็นการฝึกสติพลลับธมันจะเกิดขึ้นมาคือจิตใจที่เป็นปกติเรียกว่าศีลภาษาไทยเรียกว่าปกติภาษาบาลีเรียกว่าศีลใจมีสติอยู่กับกายแล้วก็เรียกรวมๆว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัว เราก็จึงตรงไปตรงมาต่อการพัฒนาจิตของเราเข้าสู่ความเป็นประโยชน์ตนก่อนเมื่อเรารู้ตัวเรามันจะเกิดประโยชน์ท่านกันไหเมื่อเราเห็นคุณธรรมสติเป็นไงสมาธิเป็นไงปัญญาเป็นไงคุณธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นไงเราฝึกหัดวันนี้ได้ประโยชน์ตนมันก็จะเกิดประโยชน์วันมากทํานะทดีวันหน้ามันก็ส่งผลดีต่อไป เราทําไม่ดีวันหน้าก็ส่งผลไม่ดีต่อไปเราทํากรรมฐานวันข้างหน้ามัจะส่งผลให้เราอยู่เหนือดีเหนือชั่วทํางานแบบกล้าหารอาจหารบางทีทุกคนก็ไม่กล้าทำนะก็บอกว่าผิดแต่เรากล้าที่จะทำมันไม่ได้ผิดหรอกสติปัญญาเรามองดูแล้วมันไม่ผิดมันจะคิดแบบนอกกรอบขึ้นมาตรงนั้นนะถ้าคิดแบบนอกกรอบแล้วสังคมยอมรับนะดังไปเลยคนดีเด่นไปเลย แต่คุณคิดแบบนอกกรอบแล้วสังคมไม่ยอมรับเขาเหยียบคุณทันทีเลยจมดินเลยธรณีสูบนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ได้สติด้วยปัญญาจริงๆมันก็จึงเป็นเรื่องของชีวิตของเราที่ต้องเรียนรู้กันรับรู้รับทราบข้อมูลเป็นลักณของปัญญาชนเราก็อยู่ในบริกาศของการิมิตถ่ายทอดความจริงจิตสู่จิตถ้ารู้สู่ท่ารู้ ธรรมชาติสู่ธรรมชาติเราได้รู้แจ้งเห็นจริงร่วมกันเช่นความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะทําให้เราเกิดการอนุเคราะห์สงเคราะห์ะ น, ะ, นะเกิดการแยกแยะอะไรที่ไม่ดีเราก็จะไปซ่อมมันอย่างเนี้ยนะอย่างเช่นพระเจ้าบอกว่าบุรุษสตรีที่จะมั่งคั่งได้น่ะมีหนึรู้จักซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอ ให้ดีดังเดิมสองอะไรที่หายไปหาให้เจอของหายไม่แต่เข็มเล่มเดียวกระดุมเม็ดเดียวนะเวลาหายไปนะหาให้เจอถ้าหาแล้วมันไม่เจอเออวางซะแล้วก็แล้วไปไม่แต่งตั้งบุรุษหรือสตรีที่ไม่มีศีลให้ดูแลรักษาซับเหยาสามีภรรยาไม่ใช่แรงคาบมากาขาบหนีอย่างเง้ยนะ หรือว่ามือทํารวยแต่อย่างอื่นมันทําจนนะมือของเราสมอ ง, องเรามันทําให้รวยขึ้นไหมทางานทําการหาเงินหาทองแต่อะไรที่ทําให้เราจนจุดอ่อนตรงนั้นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหมือนกับว่าวันนี้นะสติปัฏฐานเนี่ยจะต้องรู้จักเก็บหอมลอมริบให้ดีดีรูร่วงของสติปัฏฐานที่มันจะร่วได้คือคําพูดรูร่วงของกรรมฐานจุดอ่อนของมัน ที่จะทำให้เราหลงง่ายๆคือไม่รู้สึกที่ฐานกายทำตามอารมณ์เช่นพอมันง่วงปั๊บก็ทาตามความง่วงพอเบื่อปั๊บก็ทำตามความเบื่ออย่างเงี้ยนั่นแหละคือจุดอ่อนละ่ะให้รู้ไว้มีสลึงเพื่อนมันจบให้พบบาดใหญ่าขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยเป็นจงจะใจลงให้มากจะยากนานอันนี้คือการหาทรัพย์สมบัติภายนอกนะแต่ว่าสติปัฏฐานเนี่ยก็คือ การที่เราสำรวมระมัดระวังทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจประมาณในการบริโภคแล้วก็ขยันทำทำที่มันเป็นเครื่องตื่นก็คือการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวตัวนี้นะแล้วก็รู้จักที่จะอนุรักษ์เอาวไว้ด้วยก็คือไม่พยายามใช้สติตอนนี้เพราะว่าทั้งเงินยังไม่พอใช้เรารีบใช้มันก็ เดี๋ยวกลายเป็นลนักษณะของความยากจนหรือว่าคนจนเนี่ยก็จะทำตัวแบบไม่รู้จักใช้เงินคุณค่าของเงินหาห้าใช้สิบอย่างเงี้ยฝึกกรรมฐานห้านาทีเราคุยสักสิบนาทีอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยละไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ตั้งใจกันเต็มวันวันนี้แล้วกลุ่มที่จะกลับ ก่อนตอนเที่ยงก็เตรียมตัวปฏิบัติตั้งแต่เช้านี่แหละเดี๋ยวจะปล่อยลงฐานให้สอบตั้งแต่เช้าเลยคุณจะต้องสอบตัวเองเอาว่าสามารถที่เดินได้เชื่อมโยงต่อเนื่องมากน้อยเพียงใดคุณสามารถที่จะนั่งปฏิบัติทำรู้สึกตัวเชื่อมโยงต่อเนื่องได้มากน้อยเพียงใดเพื่อเราจะได้เหมือนกับว่าเห็นตัวเอง กายของเราไปยังไงจิตใจของเราไปยังไงเราได้ใช้กายให้เกิดคุณค่าใช้จิตใจของเราให้เกิดคุณค่าต่อไปมีความคิดอีกรความคิดมาใช้ให้เกิดคุณค่าต่อไปอ่างนี้ะเอางั้นอามาก็จะสรุปแล้วนะการแหวะทำในคราวครั้งเนี้เป็นเรานะได้พบกับสันติสุขสันิพัทภายในจิตใจของเราใช้บรรยากาศของกายามิตเนี่ยคนสองคนที่มาอยู่ร่วมกันสามคน4ี่คน5คนจนทั้งเป็นร้อยเลี่ยนะ บรรยากาศของการเล่เม็ดเพื่อให้เจอกับกาลยานะธรรมภายในตัวของเราเราก็ได้พึ่งคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราจนทั่งเหมือนกับว่ายิ้มได้มาไพร์มาไพร์อะไรที่เกิดขึ้นมาเป็นปัญหาในโลกใบนี้ไม้กระทั่งมรณนะไพร์ก็ตามเราก็จะยิ้มให้มันได้เพราะรู้แล้วมันคืออะไรแก่คืออะไรเรายิ้มได้เจ็บคืออะไรเรายิ้มได้ตายคืออะไรเรายิ้มได้ ทุกที่เกิดจากความคิดพัดผ้าจากของรักของชอบใจคืออะไรเรายิ้มได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นคืออะไรเรายิ้มได้เพราะเรารู้แล้วว่ามันคือธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่มีอยู่ในโลกใบนี้นี่เราก็จะได้ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรถ้าจะเป็นก็คือเป็นเช่นนั้นเองเป็นไปได้แน่นอนสยจธรรมความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรามาดูในตัวเราเราก็จะเห็นสยจธรรมเหมือนกันทุกคนะ ก็ขอให้นะบรรยากาศของกายามิตรในครั้งนี้นะก็ทําให้เราได้เจอกับกายธรรมภายในตัวของเรานะตามสมควรแก่การปฏินนบัติจนกรทั่งนะพบความสุขสูงสุดก็คือทําถึงที่สุดแห่งกองทุกนะข์ก็จงบังเกิดนะกับพวกเราทุกคนทุกท่านในปวันชาตินี้โดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนนั้นเธอ